มีความรู้สึกไหมเวลากระทบผัสสะอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มันดีๆอยากเห็นอะไรที่มันเพราะๆนะแม้จะเสียงริงโทนเสียงอะไรของโทรศัพท์เวลาเลือกเนี่ยเราก็ยังเลือกอะไรที่มันดีๆถูกใจเสียงนาฬิกาปลุกเนี่ยเรายังเลือกเสียงที่เพลาะๆนะคือพื้นฐานจิตมันจะเป็นแบบนั้นอยู่มัน ชอบรูปรสกลิ่นเสียงที่ถูกใจฟังแล้วหรือผัสสะแล้วเนี่ยสบายหูสบายตาสบายกายสบายใจความรู้สึกมันจะเรียกร้องแบบนั้นจนเวลาเราแสวงหาผัสสะเนี่ยเราจึงเลือกเลือกผัสสะปัญหามันก็คือมันผิดตั้งแต่เรารู้ค่อนข้างจะเลือกผัสสะละเพราะเราเลือกผัสสะ ภาษาไม่ได้มีไว้ให้เลือกแต่มันมีตามธรรมชาติมันแต่เขาเลือกนะเลือกอยากได้ภาษะที่ตรงกับความอยากหรือกิเลสของเราเองเพราะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็อยากได้อันใหม่อยากได้นู้นอยากได้นี้เขาเรียกว่าวิ่งสแสวงหาพบชาติเพื่อมันอยากไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไปเกิดตรงหูตรงตาตรงจมูกตรงลิ้นตรงกายตรงใจ จะไปเกิดตรงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์แบบนั้นเน่ยมันมีน้อยหนึ่งมันก็เกิดน้อยหนึ่งมันชอบตัวนี้น้อยหนึ่งแตเกิดสองครั้งสามครั้งสองนาทีหนึ่งนาทีหรือเกิดชั่ววินาทีหนึง่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายว่าท่านจะไม่เป็นคนที่ยินดียินหลายหรือไม่รู้เรื่องโลกนะจิตแบบนั้นก็จะมีความรู้สึก มีความพอใจกับโลกน้อยๆแต่ไม่ได้พอใจกับทุกข์นะเห็นทุกข์เป็นเรื่องตลกอย่างเราว่าเ น, น่แต่ตลกแบบว่างๆตลกแบบลึกๆผิวๆเนี่ยคือพระอุทธองค์ท่านเจออะไรที่เหมือนพวกเราถ้าเป็นพวกเราเราขำกิ้งนะนั่นก็จะแย้มพระสวนแย้ม ไม่ปรากฏว่าท่านหัวเราะออกมาเป็นเสียงดังแต่รู้สึกว่าเออแย้มยิ้มแย้มคนเราก็แสดงต่อกันก็แบบนี้แหละถ้าไม่แสดงเราก็ไม่รู้ว่าใครคิดอะไรเป็นยังไงจะสื่อสารยังไงเอาพอ ส, สื่อสารด้วยกันรู้เรื่องพระองค์ทรนมแย้มยิ้ม ท่านไม่มีหัวเราะถ้าหัวเราะออกมาเป็นความพอใจความหลุดไปจิตถูกปรุงแต่งมากไปของเขาเป็นแค่ายๆว่าจิ้วมาดับถ้าเราอยู่กับปรากฏการณ์กับมายาแบบนี้นี่ทุกมันก็ไม่กัดเราไม่เป็นทุกเพราะเรารู้จากทุกข อยู่กับทุกข์แต่ว่าไม่เป็นทุกข์ทุกข์มันไม่จัดไม่ขวรคือความพอใจมันไม่ได้มีความไม่พอใจมไม่ได้มีมันเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีเท้ไปยังไม่ได้เป็นความพอใจด้วยซ้ำไปเป็นธรรมชาติแบบหนึง่งที่มนุษย์มึงมีต่อกันน่ะเหมือนกับการกินการดื่มกันเลยทาว่ารับรู้รสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็รับรู้แบบนั้นนะ แต่ให้พอใจติดอกทิดใจว่าต้องอันนี้ให้ได้แล้วต้องเป็นอันนั้นให้ได้มันก็ไม่เป็นไม่ได้เป็นถึงขั้นเรียกว่าเป็นอุปท า, านอุปท า, านขันอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายยตนะถ้าอายยตนะเป็นอายตนะจะนี้เลยสายตนะคือหมายว่าเข้าไปอยู่ในนั่นเข้าไปอยู่ในอายยตนะ มีความพอใจมีความใคร่มีความเพลินกับอายตนะเบียนมันปรากฏเกิดขึ้นพัสสะเวทนาตันหาอุปาทานเนี่ไกลนะอวิชาสังขารวิญญาณนำลูกสลายอตนะพัสสะเวท น, นาตันหาอุปาทานทุกเกิดที่อุปาทานนี้ว่าโดยย่ออุปาทานขันดังห้าเป็นตัวทุกข์ที่สวดไปเมื่อกี้นะมันอยู่ระหว่างเนี่ยทีนี้อวิชาถ้ามีเยอะ อุปทานก็เยอะทีนี้อวิชชาไม่มีเลยอะ่ะก็มีรูปมีเวทนาเวทนามีไม่มีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีขันห้าปรากฏตามปกติแต่ว่ารู ป, ปรขัน์เวทนาขัน์สัญญาขัน์วิญญาณขัน์สังขารขัน์จะไม่มีความชอบเข้ามาประกอบมัน มันเหมือนเราเห็นเด็กน้อยเล่นเด็กน้อยเล่นก็นเล่นเรื่องธรรมชาติมันเด็กน้อยเนี่ยะเด็กน้อยมันสนุกเต็มที่นะแต่เราก็ได้แต่ดูมันดูมันสนุกเนาะ เ, นเด็กเนี่ยแต่ว่าเราต้องเสียเงินจ้างดูเด็กเราก็ไม่จ้างเขารู้ว่าเออเด็กมันเล่นโลกนี้เป็นมายาก็าจะรู้ว่าโลกนี้มันคือมายามันทําอะไรมันก็แค่มายา เป็นโรงละครดูโลกนี้เป็นโรงละครสนุกแบบโรงละครเหมือนเข้าไปโรงละครแต่นั้นผู้ปฏิบัติธรรมเพาเรว่านตจคีตวาติตะวิสูกัตถสนาเวรมนีเว้นเว้นจากการปรุงแต่งจิตตัวเองที่จะไหลเข้าสู่การมีรูปมีเพลินในเวทนา มีความพอใจมีความยินดีในการละเล่นบคนุคคลใดก็ตามชอบดูการละเล่นเล่นมีความเพลิดเพลินการประคบประโคมนะก็ ถ, ถือว่าเป็นผิดศีลผิดอาชาระที่คนรจะทํามันผิดนะมันขาดอาชาระไความงามหรือความเอ๊ะ ปกติมันไม่ต้องหัวเราไม่ต้องสุสนาก็หม่อนกันเหมือนกับการที่กินยังไงก็ได้นอนยังไงก็ได้เหมือนเราไปมาเอากินยังไงก็ได้นอนยังไงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้มันเนี้ยเหมือนกันชีวิตก็ให้มันเป็นแบบนั้นแหละเป็นชีวิตที่ใหม่ๆก็ห้ามมันไ ว, ว้นะนั่จะขีตะการขับรงการเพลิดเพลิน ขีตวาทิตะนะวิสสกะทัศนาอะไรก็ตามที่จะไม่เกิดอุปทานจะทุกเกิดความเพลิดเพลินความสนุกสนานเนี่ยเขาก็งดเป็นมันเล้าใจเล่าให้มันเกิด อ, รอารมณ์แมวก็เฝ้าอยู่กับปัจจุบันนั่นเองเพราะว่าเส้นทางของอริยมรรคก็คือการไม่เข้าไปเพลิดเพลิน ในสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเดีวนี้เราสังเกตในนเมืองเจริญนะแต่เจริญแต่ว่ามันไข่มีความไข่สูงคือตกเป็นธาตุโลกิยอารมณ์สูงมากแล้วก็จะเพลินเข้าไปอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์พวกนี้ยเยอะๆมากถ้าที่เห็นว่ามันเป็นมายาถ้ามันมากมันก็กลายเป็นอุปทานเป็นทุกข์ อวิชาสังขารอวิชาตันหาอุปทานทุกมีสี่ขณะอวิชาไม่รู้ปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นตันหานะถ้าไม่รู้เท่าทาันเป็นความอยากอวิชาตันหาอุปทานยดึดมีความอยากแล้วก็ยดึดพอยึดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อ น, นั้น่ะมันยึดแล้วมันเกาะมันออกยากสังเกตดูดิจิตมันยึดเรื่องอะไรเนี่ยสลัดหลุดยากมาก มันจะวนเวียนไปวนเวียนไม่แต่เรื่องเดิม่ะยึดลูกเป็นทุกข์เพราะลูกยึดผัวยึดเมียเป็นทุกข์เพราะผัวเพราะเมียยึดทรัพย์สมบัติมันก็เป็นทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติมันห้อยอยู่งั้นน่ะจิตมันไม่อิสระเลอจากบ้านมาได้ปล่อยวางได้ไหมว่ายเลยไม่คิดอะไรเลยจบอะไรมาเนี่ยเพราะมันไม่มีอะไรคิดว่าเป็นของกูอ่ะไม่มีอะไรเป็นตัวกูของกูมาตาไม่ได้อยู่ในนั้น ไม่มีอัตตามีแต่ความว่างมันก็ไม่ทุกนะถ้ายึดคือมันไปเพลินหลายหลายคนมันต้องจ้างดูนะต่างดูจ้างเห็นจ่างไปจ่างมาคืออุปทานกับรูปแหละอยู่เมืองนอ ก, กอุปทานกับรูปอยากดูรูปเมืองนอกนี่นะจริงๆเราเลือกแผ่นดินเหมือนกันเนะี่ะอย่าไปดูการเล่ของคนคนนี้ก็คือมันอะไรล่ะ มันผิดเพี้ยนไปจากคนปกติดูความสามารถที่เขาฝึกฝนมาดูโน่นดู น, น, ดนี่เป็นอุปทานอุปทานทางรูปทางวทนาทางสัญญาทางสังขารทางรูปทางรสทางกลิ่นทางเสียงอยากได้กลิ่นแบบนั้นอยากได้เสียงแบบนี้อยากได้อะไรแบบโน้นความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นน่ะ มันรู้สึกเราว่าสบายหูที่ยิงมันแฝงด้วยความเพาะอยู่ในตัวกินอันนี้รู้สึกสบายปากแต่ยิ่งมันติดความรสชาติอยู่ในตัวอุปทานเลยนะมันจะนึกถึงนะอย่างที่เขาบอกว่าสัคตะว่าผัสสะแล้วก็สัคตะว่าซะอะไรเกิดขึ้นกับสัคตะว่าอันนี้ก็าสัคตะว่าจบไปสัคตะว่าสัคตะว่าผัสสะผัสสะแล้วก็มีเกิดมีดับไปอย่างเนี้ย ทุกมันก็ไม่มีนะแต่ที่มันมีอืมเกิดแล้วไม่ดับถ้าไฟเผาเราเนี่ยมันเผานิดเดียวเกิดขึ้นมาปุ๊บเราดับทันทีก็ไม่ทุกนะเพราะไฟเกิดแล้วมันดับไม่ทุกแต่ถ้าไฟเกิดแล้วมันไม่ดับมันมีอุปทานขึ้นมันร้อนอยู่นั้นเนี่ยมันจะทุกทันทีใครเรียกว่ามันไม่เป็นอนัตตาเราวางไม่ได้ความรู้แจ้งเราไม่มีพอไม่ได้มีมันผัดซะาุ๊บ แทนที่จะเห็นความเห็นเนี่ยเป็นเหมือนน้ํารสราดลงไปบนตัวทุกตัวอุปทานขันแล้วมันจะดับทันทีแต่ถ้าน้ําน้อยมันก็ไม่ดับนะมันก็คงตัวอยู่ของมันหนึ่งเป็นอวิชาแต่เป็นอวิชาคือความไม่รู้เนี่ยมันไม่รู้มันไม่รู้แจ้งมันก็จะเป็นตันหาเป็นความอยาก ความเป็นความอยากอยากมากทุกข์มากความอยากอย่าลืมนะความอยากเนี่ยจริงๆก็คือโทสะนั่นแหละความอยากมาความพร้อมกับความเกลียดแล้วสังเกตดูดิเราคุ้นใครแล้วเราไม่จือเขานะ่พูดแล้วมันไม่ทำตามอะไรประมาณเนี้ยเรารักคนนี้นะนัดแล้วมันไม่มาเนี่ยเป็นทุกข์ดันดีนะเห็นไหมนะความโลภที่เมันเป็นความโลภ แต่ที่สุดของความโลภเนี่ยเวลามันเจริญเติบโตเต็มที่มันเหมือนผลไม้เนี่ยคือมันเป็นโทสะเองนะ uh ความโลภนี่จริงๆก็คือโทสะโทสะก็คือตัวความโลภนี่แหละมันอยากให้เป็นอย่างอื่นไงอยากให้เป็นตัวนี้เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าพูดความโลภอยากได้ที่มันไม่ได้อยากให้เป็นอย่างอื่นหรือว่าอาการแบบ น, นี้ฉันไม่ชอบฉันก็ไม่อยากอยู่ใกล้มันเป็น อยากให้ไปไกลๆเขาว่าอยากให้ไกลไ ม, มีวิภาวะตันหานั่นแหละมันเป็นความอยากหมดเลยความโกรธความเกลียดความอะไรต่างๆก็คือความอยากนั่นเองแต่มันเจริญเติบโตยังไม่ถึงที่สุดแต่ถจะไล่ลงไปอีกหน่อยในความอยากนี้ม า, จานจกไหนมาจากความไม่รู้ความไม่รู้จริงๆว่าจริงๆมันเป็นของเกิดดับเฉยๆมันเกิดแล้วก็ดับ แต่เราก็ไม่รู้เท่าทันมันคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราพอคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นละมันมีตัณหาลวโอ้ตัณหาตัวนี้ต้องสุกแน่ๆนะสุกแน่ๆระวังตัวดีๆนะเพราะมันสุกก็คือโทสะนั่นแหละมันหล่นปุ๊กลงมาเลยมันทำงานดีๆเอานําทำไมเราจึงจะรู้เท่าทันมันเอาถ้าสติน้อยมันไม่ทันมันนะ สติน้อยไม่ทันมันปัญหาคือต้องไปทําหัวมันนะไปทําหัวมันหัวมันหัวเรือตรงหน้ามันก็คือทําตัวไม่รู้ให้เป็นตัวรู้ซะรู้เยอะๆซ ะ, ะรู้เยอะๆซ ะ, ะแล้วพยายามเฉยกับผัสสะก็จะไม่มีความโลภถ้า ม, มีความโลภก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีความทุกข์อันนี้ จริงๆมันเกิดจากจุดเล็น้อยเพราะไล่ไปความโลภความควาโกรธมาจากความโลภความโลภเกิดจากอะไรความโลภเกิดจากความไม่รู้อเอ้าแสดงว่าความไม่รู้เนี่ยมันไม่รู้แจ้งไม่รู้ตื่นไม่รู้อะไรเนี่ยนี่คือปัญหาของทุกสิ่งทุกอย่างนะปัญหาของทั้งหมดคือความไม่รู้เราจึงมาทําเหตุของความไม่ทุกข์คือต้องมีความรู้ตัวความรู้นี่แหละ แล้วความรู้นต้องเป็นความสว่างนะสว่างแบบประจักแจ้งแบบทราบซึ้งตรึงใจอย่างน้อยๆก็บางทีเราก็รู้เท่าทันอันรู้เท่าทันเนี่ยยังไม่ใช่การรู้แจ้งมันรู้เท่าทันรู้เท่าทันมันเกิดทุกน้อยนะรู้เท่าทันือหมายว่าแก้ปัญหาได้เวลามาเกิดล้วแก้ปัญหาได้ฉันรู้เท่าทันแต่มันไม่ใช่ป้องกันเรามีแต่แก้ไขแก้ไขแก้ไข แต่มีคำว่าป้องกันแต่จริงิงปฏิบัติตัวทั้งว่ามันสามารถป้องกันได้คือมันเห็นก่อนนะเห็นก่อนแล้วเห็นก่อนทุกเกิดเออมันกำลังจะเป็นทุกนะเห็นสังขารกําลังก่อตัวจะดับได้ก่อนเห็นว่ากําลังต่อตัวมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอนะคือขันท่านี่ยังไม่ทํางานเลยเป็นรูปประคันบุบขึ้นมา ไม่ยังไม่มีวทธานาสัญญาสังขารวิญญาณยังไม่ได้ทำงานพลึบก็ไปเนะี่ยเห็นก่อนเออทุกข์ก็ดับก่อนมันไม่เชื่อมต่อมันไม่เกาะกลุ่มกันเนะ่ะมันยังไม่ปติดะต่อกันเข้าเราเห็นก่อนคือเขาต้งบอกว่าไงว่าขันท่าไปว่าหมวดหมู่กลุ่มกองมันเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นกองกองทุกอันนี้ก็เป็นอันนึงอันนี้เป็นอันนึง แต่คนทั้งหลายเห็นทุกเนี่ยแยกไม่ออกจากกันด้วยส้ำไปว่าทุกในขันหรือทุกในไหนกันแน่ทุกเกิดจากอะไรยังไงอ่ทุกอันเนี่ยพอมเป็นองค์เป็นทุกทันทีเลยนะทุกรู้ไม่ออกมันไม่เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นกองให้เราท่านทั้งหลายเมื่อได้ฟังทำนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าที่ยิ่งทาไมได้ฟังทำกัฟังไม่ออกไม่รู้ มันเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นกองเลยฟังไม่ออกไม่รู้เรื่องหรือว่าคิดก็คือคิดะฮบางคนก็สงสัยว่าแม้มนุษย์เราเกิดมามันแยกความคิดด้วยเหรอดับความคิดด้วยเหรอหยุดความคิดได้ด้วยเหรอหยุดอารมณ์พวกนี้ได้ด้วยเหรอดับได้เหรอโอ้มันเป็นกลไกมันเนาะถ้าเราศึกษาเราเรียนรู้เราก็สามารถดับมันได้แต่ถ้าไม่เรียนรู้ปล่อยมันไปตามยถากรรมมันก็ลําบากละ่ะ จึงเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะถ้าใครเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้วิธีดับทุกเนี่ยไม่ได้เรียนรู้วิธีดับทุกเป็นเหมือนเสียชาติเกิดนะเสียชาติเกิดเหมือนมีนิพพานแต่ไม่ได้ไปกับเขาเหมือนเขามีเมืองนอกแต่ไม่เคยเห็นเมืองนอกกับเขาอนี่นะืมีอะไรที่ดีๆแต่เราไม่ได้พัฒสาซะไม่ได้เขาไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตอ น, นัน ไม่ได้เห็นนะมีแต่ไม่ได้เห็นนะมีแต่ไม่ได้พบนะเป็นสิ่งที่มีแต่ไม่ได้พบแล้วที่สําคัญคือมันมีอยู่ในเราเนะีนะ่ยท่านพุทธทาสว่ามันอยู่ในหน้าผากนะนะั่นแหละใน่านนะพยายามยืดตาคือไปมองมันให้เจอมันก็ยากนะมองในผานที่หน้าผากเนะี่ยมันมองยากนะมันเหมือนคนคิ้วอย่างเงี้ยมองให้เห็นเนะี่ยมันก็ไม่เห็นมันยากนะมันลําบาก แต่ว่าเขาอุปมาว่ามันอยู่ใกล้ตัวมันอยู่ใกล้ๆความดับทุกข์มันอยู่ใกล้ๆปัญญามันก็อยู่ใกล้ๆมันใกล้ซะจนเหมือนลำคานเราเนี่มันทำไม่ได้สักทีอย่างเนี้ยหรือมันอยู่ใกล้จนมีความรู้สึกว่าประมาทจนเกินไปอะเพราะธรรมชาติก็ให้ความไม่ทุกมาระดับหนึ่งให้เป็นธรรมชาติคนไหน ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาให้ต้นทุนชีวิตมาคือความไม่ทุกข์สักน้อยเอา้าเอาไปเด้อนี่ความสบายใจอันนี้ให้ม่ีมีเดีสักน้อยเด้อเนี่ยมันเป็นทุนชีวิตอยู่แต่ว่าทุนเนี่ยเอามาทํามาหากินเดีย๋ยเอาให้มันเป็นร่ํารวยเดีย๋ยเป็นโซดาเป็นสกทาเป็นอนาคามีเป็นพระอรหันเนี่ยคือคนเนี่ยเอาทุนมาทําแล้วสามารถเป็นมหาเศรษฐีทางธรรมได้นะแต่คนไม่ไมรู้ได้แค่จะเอาเท่านั้นก็เลยเป็น เอียแต่ยายโจกขอท่านกระจอกงอยงเล่นเกมนี่ไม่เป็นชีวิตเนี่ยเราเกิดมาทุกข์ไหลไปทำความรู้สึกไม่ได้รวยกับเขานะชีวิตเนี่ยมีเงินไหมเขาก็บอกอยู่ทุนคุณก็มีตื่น่าก็ลงลงโปรงปรงอยู่ก็สบายอยู่ทำไมไม่เอาไปต่อทุนซะผมไม่รู้อ่ะไม่มีคนพาทำนั้นนก็เอาป้ากูไปลงทุนกับหลวงตาไว้เราก็มาละลงทุน แล้วก็พาลงทุนเนี่ยที่ผ่านมาลงทุนอดทนมากอป้ายขึ้นเขาสิบเขาลงห้วยลงหนองลงน้ําอำลงทุนก็ลงทุนวะถามมาเลหลายๆคนนะหลงตาหนูไม่คิดว่าชีวิตนี่จะได้อดทนป่านนี้นะเนี่ยเอาเรามีอยู่แล้วหนูเอ๋ยเนี่ยอแต่เราไม่ลงทุนทุนมันมีอยู่แต่ไม่ลงทุนลองลงทุนดิล้วจะทําได้แล้วทุนนี้เอาไปสาลต่อถามว่าได้ได้เยอะไม่ที่ไปเนี่ย อาจจะได้เยอะนะได้เยอะความเพียรล่ะได้ลูกท่านเห็นหลายคนว่าได้ปิตินะโอ้ได้อารมณ์ดีมากก็บอกนะส่วนมากจะพวกเดินช้าๆพเดินช้าๆพวกอืมก็คือพอรู้จักแะว่าใครจะได้เนี่ยพราะว่าปกติคนพวกนี้เขาจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคนใหม่ๆก็ได้จะเพลินเพลินกับตาขมูสนุกเนอะอันนั้นนี่นะแต่มันก็ยังดีกว่าในเมือง ในเมืองไปเพลินกับในเมืองก็เห็นอะไรนะมันยั่วนะนะนะมันยัวย่วยั่วมันจะกระเต้นออกจากกระเปา๋าเงินทองอะไรประมาณนี้แต่ที่อยู่ในป่าในดงไปทุดงไปอะไรนี่าต่เนี่ยก็ธรรมชาติมันก็ไม่มากมายอะไรใครติดใจต้นไม้ใหญ่ๆจะกลับไปเอาก็ไปเอาล่ะแล้วก็จะว่าอะไรมันก็ได้แต่เออ ได้แต่ความชอบนิดๆหน่อยๆเออธรรมชาติเขานอ้อในธรรมชาติเรามีพลังเหตุการรับรู้ธรรมชาติมีอยู่แล้วรู้เฉยๆก็มีอยู่แล้วว่างๆก็มีอยู่แล้วศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญามีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนิดๆหน่อยๆอ่าทีนี้มาปลูกปั้นให้มันขึ้นมาเป็นความจริงเขาเรียกว่าปลูกฝังคุณธรรมให้มันจเจริญเติบโตถ้ามันจเจริญเติบโตมันก็เป็นมากเป็นผลขึ้นมาโดยธรรมชาติ เป็นธรรมชาติมันก็จะเป็นเออธรรมดาแต่นี้เราเป็นแบบไหนเป็นคนที่ลืมตัวท่านอุบลมาเหมือนคนล้วงไหปลานะพอล้วงเข้าไปก็เอามือแบบนี้ตอนล้วงนะแทงเข้าไปแบบนี้แต่ตอนขึ้นมามันคําอ่ะพอมากรมมันก็ติดไหปลาเนี่ยมันออกมาไม่ได้เราบอกแบมือซะแบมือถ้าแบ่มือปุ๊บปล่อยไปมันก็ขึ้นมาง่ายๆทาแบ่มือนี่มันขึ้นมาได้นะมันไม่ยอมแบ่โยมปล่อยวางสันโลกอ่ะเนี่ย โยมอย่าไปยึดมันโยมรู้เฉยเฉยได้ไหมนะแทนที่โยมจะมายึดมันหรือมันโยมก็มีอุปทานไปกรรมาลุงคิดว่าเป็นอันก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้หอบพลุนพลังมาเนี่เต็มแข้งเต็มขาพอหอบมาปุ๊บ ก, นหนก็หนักเดิหนักหนักเพราะเราหลงหลงโลกไงเขาว่าโลกคุณเกิดมาเนี่ยคุณมาอยู่กับโลกเฉยเฉยนะแต่คุณอย่าไปยึดเอาโลกนะ อย่าไปยึดเอาสัตวุสิ่งของอย่าไปยึดเอาเงินเงาทองอย่าไปยึดอย่าไปยึดมากไม่อย่าไปยึดเอารูปรถกลิ่นเสียงที่เราผัสสนี้มาเป็นของเราถ้าเราไปยึดเอามาเป็นของเรามันไม่ใช่ละนี่แสดงว่าเราหลงทางละหลงทางเฮ้ยตอนกูมามันเบานะเว้ยนตอนลงตาพาไปเที่ยวภูเขาเนี่ยไปเที่ยวภูเขาเออตอนไปนะขึ้นไปได้สบายะ แต่พอตอนลงมาไปหยิบเอาก้อนหินบงังเอาต้นไม้เขาบางังเอากล้วยไม้บางเอานน่นเอานีนาน่มาเฮย้ยทำไมหนักจังวะเนี่ยเอาตอนมาก็สบายอยู่มาแบบว่างเปล่าว่างๆสิไปเที่ยวแบบว่างๆกลับก็แบบว่างๆคนเป็นวิปัสสนตปฏิบัติธรรมเดินเข้าไปในกระแสไปติดอารมณ์นั่นอารมณ์นี่หนักนะมันติดใี่มันติดติดความสบายติดโน่นติดนัน่นแล้วไม่รู้มันติดอกติดใจแล้วมันหนักต้องวาง เดินเข้าไปเดินออกมาแบบว่างๆว่างๆตะวังเหมือนละมัดระวังอ่ะย่าเอาอะไรเข้าออกมาในสมบัติในถ้ำเขาเนี่นะนะอย่าเอาอะไรออกมาในถ้ำก็คือในความสุขแหละในถ้ำนี้มีอริยทรัพย์มีอมัคคังว่าพลังว่ามีสมาบัติมีสมาทิงว่าสมาปฏิงว่ามัคคังว่าพลังวาบวกนะมีศีลมีสมาธินะ มีสมาบัตมีมรรคมีผลสักแต่ว่ารู้นะถ้าคุณไปหยิบเอาอะไรถืออะไรออกมาคุณจะอันตรายทันทีชีวิตนี่ได้แต่รู้สักแต่ว่ารู้นะรู้เฉยเฉยรู้ตามความเป็นจริงที่มันมีเฉยเฉยเอา้านิมนต์ระสงค์เดี๋ยวจะได้ไปบินท บ, บาทแล้วฟังก็เหมือนกันนะ่ะฟังเราฟังกเออคนนี้เสียงไม่เพราะเนาะ เราก็อย่าว่าเสียงไม่เพราะถ้าไม่เพราะเราเวลายึดมากถึงแม่เนอะมันน่าจะยังงั้นน่าน่ะเนี่ยเห็นไหมอุปทานมันเกิดขึ้นทนันทีนะลงทุนทางนี้ลงทุนทางเนี้ยหาเงินหาทองแบบโล่งๆเนี่ยทางนี้สติขันติอย่างเนี้ยวิทยาอุเบกขามาทางนี้อุเบกขาเราทางนี้ลงทุนลงทุนทางคุณธรรมทางภูมิธรรมให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น ถ้าลงผิดท่าคอืมไปเมืองนอกติดการพนันกับหมาพนันกับรูปรถกินเสียงอย่นั้นเหมือนกันนะ่ะเข้าไปเล่นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจกลับออกมาโอ้ยติดการพนันเลยถ้าติดการพนันก็หมายว่าเราเริ่มละเริ่มเป็นคนไม่ยอมรับละว่าไม่ใช่ของเราเราเริ่มขโมยสีนละยึด กันแสดงที่ไม่ใช่คิวของเราที่ต้องสแสดงของคิวของเราคือสแสดงไปทางนี้เนี่ยทางโลกุตลรธรรมเนี่ยนี่คือสแสดงอยู่กับความจริงของชีวิตแต่พราะนั้นอ้าวเขาไม่อนุ ญ, ญาตให้เขาไปสแสดงธรรมชาติไหมพอคุณเข้าไปทีไรคุณก็ทุกตรงนั้นน ะ, ะผู้กํากับอยู่ข้างนอกครูบาอาจารย์ก็มองว่าบทบาทไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมเล่นไม่เหมาะสมนาโยมตอนนี้เล่นไม่มสม เล่นบทอะไรเล่นบทโศกนะบทร้องไห้เนบทรักบทชังบทกโกรธบทเกลียดนะนะเล่นอุปท า, านนะยึดนั่นยึดนี่โอ้ยโยมโยมยมย ม, ยมเล่นไม่เหมาะสมเล่นไม่ถูกบทบาทสมมุตินะ่ะนะสมมุติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีปัญญาเป็นลูกเป็นเต่าบัญญัติให้มีหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อกันตามสมมติ ปฏิบัติตามกันตามสมควรได้มไม่เสียความจริงนะมันรู้สึกมันอินกับบทบาทอะไรเกินนะเออคนนี้ร้องไห้กับมาเป็นเอามากเ อ, อคนนี้เพลิดเพลินจริงจังเป็นเอามากคุณเล่นละครเฉยๆนะถ้าเราเข้าใจชีวิตเนี่ยมันก็ธรรมชาติสนุกแบบธรรมชาตนะิความทุกข์ก็คือธรรมชาติอะไรๆก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติก็เหมัน มันหมุนเป็นแบบนั้นของมันอะแต่เราถอนตัวออกมาปุ๊บอ่มามันก็ไม่หมุนสนุกสนุกแบบไม่หมุนทุกข์ไม่ไม่เวียงอะเขาเรียกว่าสังสารวัตมันไม่แว่งมันจะแว่งแล้วก็หลุดออกมาซะไม่เข้าไปในวงจรมันสนุกก็ไม่สนุกทุกข์ก็ไม่ทุกข์อืมไม่สนุกไม่ทุกข์พวกสนุกพวกไม่ทุกข์เนี่ยส่วนมากมันจะอยู่ในเป็นป่าหิมเป็นสัตว์ป่า หิมะผ่านพวกสัตว์ผ่าหิมะ่านหิมะกเย็นแล้วหิมะวันนั้คือป่าป่าหิมะผ่านคืออยู่ในสถานที่สงบเยือกเย็นสัตว์พวกนี้เนี่ยไม่รู้เป็นคนหรือเป็นอะไรอ่ะดูไม่ออกอ่ะจะเป็นคนก็ไม่ใช่นะเป็นคนก็ไม่ทุกเหมือนคนนะจะเป็นพระก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเหมือนพระอยู่แบบสบายสบายเขาจะใช้คําว่ากิงนะพระ กิงน่กิงนะ่ะคนอะไรอะไ ร, ค น, ระคนอะไรคนอะไรคนนี้ไม่มีทุกข์อับสลยไม่มีไม่เหมือนชาวบา้านว่ามีโลกิยทําเบียดเบียนเหมือนพระพุทธเจ้าท่านว่าอยียบเป็นกองอุจระแต่ไม่ก็ไปติดเท้าสถาคตเนี่ยเนี่อยู่กับโลกแต่ไม่ทุกข์เพราะโลกเออกิงนะ่ะพวกนี้จะอยู่ในสัตว์ป่าหิมพานเป็นสัตว์ป่าหิมพานเป็นกิงนระคนอะไรเราเรียกว่ตัวกินนอนเนี่ยว่าเราเรียก กินและะนน้วก็นอนกินแล้วก็นอนอืแต่ไม่ใช่เป็นแบบเราอยู่ที่บ้านนะนะกินแล้วก็นอนอันนี้คนละอย่างตัวกินนอนอันนี้เขาเรียกว่ากิงนระกิงนร ะ, นะนระคือคนอะไรคน ร, กกนรนะ้ายไม่ทุกข์อ่อนเฉลยนะอืห้อยหงอยอยู่ตามกิ่งไม้เป็นโน่นเป็นนี่ต่อมาเขาเรียกมักตลีผลนะฟังชื่อมันสิมัก เป็นมักเป็นผลนะมัคคีผลไม่ใช่ตัวตนของคนนะมัคคีผลคือคนที่มีมักผลอยู่ในตัวนะมักมีมักผลยูในตัวจะอยู่ในป่ามอพายอยู่สบายสบายเราก็เหมือนกันนะอคนไหนชอบไปอยู่ป่าอยู่ดอยเตโน่นตรงนี้มันเหมือนเขากําลังจะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติล่ะอื<ม>แต่ว่าจริงๆคืออยู่ที่ภายใน ภายในนี่อยู่ที่ภาวะที่มันลึกๆเนี่ยถ้าเราพัฒนาได้อา้าวต้นไม้ต้นนี้เกิดอยู่ในเมืองก็ได้ เ, เกิดที่ไหนก็ได้นะฝายใจเงื่อนไขการปลูกฝังคุณธรรมตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าคือปลูกฝังความรู้สึกตัวที่ว่างๆไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรๆเรืๆภาวะแบบนี้ อย่าไปปลูกจนกระทั้งว่าปลูกต้นไม่รู้ถ้าปลูกต้นไม่รู้มันก็กลายเป็นความโกรธเป็นเป็นโทสะก่อนเป็นโลภะก่อนอย่างนี้ก็บอกว่าคนเรานี่หลงสักกายที่หลงอัตตาตัวตนเมาตัวตนเมาสังขารร่างกายเมาขันห้าเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเป็นตัวของเราพอเราเมาแล้วมันเป็นตัวของเราเลยลเร า, าก็อยากได้อยากมีอยากเป็น คำวตัณหาภวตัณหาวิวาตหาตันตทีนะอยากได้อยากมีอยากเป็นนะอยากหนีอยากไม่เปลีนน่ยนนี่ฮะจิตมันก็จะมีอยู่นี่ทีนี้มันจะอยากไม่อยากเนี่ยเรารู้สึกตัวเฉยเฉยเนี่ยคนเราไม่อยากมีเลยนีอยา่างมีอยู่กับความไม่อยากคือรู้เฉยเฉยรู้ว่ามันอยากเนี่ยรู้มันอยากรู้ว่ามันไม่อยากเนี่ย ต้องรู้มันนะถ้ามันไม่อยากอะไรก็ไม่รู้มันก็อีกละนี่ก็มักก็ไม่เดินนะต้องให้รู้มันทีนี้ชีวิตที่ก้าวเดินไปด้วยความรู้ตัวอันเนี้ยเรียกว่าการปลูกฝังคุณธรรมอืมถ้ารู้ตัวปุ๊บอา้าวรู้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแทนที่มันจะเป็นตัวทุกจะเข้าไปอยู่ในทุกขผลไม้แห่งความทุก ไม่รู้ก็เป็นความโลภพอโลภออกมา ก, ก็ไม่ได้ดังอย่างเป็นความโกรธเนี่ยความโลภ ก, ก็เหมือนกันนะความโลภทามันได้มานะนะโลกอะไรแล้วได้มาได้มาสักน้อยมันจะแก่ทีนี้มันมีเกิดแต่มันจะมีแก่พอแก่แล้วก็ไม่ชอบละเอาเอาไปซะอะไรเห็นไหมเริ่มเบื่อล้วนะเมีย น, นี่เก่าแล้วเกินนะสามีนี่แก่แล้วเกินน่ะได้ซะละ เห็นหนี่คือมันแก่ขั้นแก่คือมันเกิดที่จิตนะจิตเกิดความรู้สึกว่ามันเริ่มเบื่อหน่ายเริ่มเบื่อหน่ายเริ่มมันไม่ชอบแต่มันเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่ด้วยอำนาจของความรู้ตัวนะไม่ใช่ด้วยอำนาจของวิชาแต่มันปรากฏเป็นอำนาจของอวิชานะเราเบื่อด้วยอำนาจของอวิชาองความไม่รู้จริงเราไปลองดูดิว่าดิฉันก็เบื่อหน่ายบ้านว่าอย่างนี้เป็นเมืองนอก ออวิชชานะเนี่ยคุณเบื่อหน่ายด้วยอวิชชามันไม่ใช่นิี้ปีทาวิราคะบิมุตไม่ได้เดินสายนี้นะแต่คนละสายคนละแบบอืมกลายเป็นความโลภความโกรธเป็นการมาตหานภาวัตฐาวิภาวัตฐ า, อาตนอันที่โลภมากก็โกรธกลธแล้วก็หลงล่ะหลงไปเพราะมันคือโกรธมากๆก็อลมันพีกขึ้นสุดๆเนี่ยมันก็จะ เป็นความโกรธแบบสุดๆแล้วมันจะเป็นความหลงฝังใจเนี่ยอันเนี้ยมันฝังใจมันที่สุดของที่สุดหล่นปุ๊กลงมาในใจติดละหล่นมาโอ้ประทับใจได้มาเมล็ดนึงชีวิตกูได้มะรีฝนอย่างหนักหนาเลยเนี่ยตกลงมาเป็นก้อนทุกใหญ่โตเลยฝังใจมึงนะกูไม่ชอบมึงกูจะไม่เหยียบรอยมึงไม่เผาผีอะไรประมาณนั้นเนี่ยจิตมันเป็นปันนั่นนะมันเกลียดมันชังนะงั้น อย่าเกลียดอย่าชังอย่าให้มันมีรู้สึกว่าเอออันนี้มันหลุดเข้าไปในอารมณ์แล้วนะเอาแล้นะทีนี้ถ้ากูชอบแล้วผลมันตกลงมันคือทัวโทสะแน่ๆน ะ, ะกูไม่ชอบว่ามันมาถึงปานนี้เลยเลยเนี่ยไม่ชอบเป็นวิภาวะตัณหาล่ะผลของมันล่ะแล้วมันจะหล่นไปฝังอยู่ในใจอ่ะเห็นมีพระองค์หนึ่งวันกอดโกรธลงปูสัง ลุงผู้สั่งไปกรุงเทพด้วยแล้วพระเอืร์นพระเอืรนว่าอาเจียนว้าวเมารถเนาะหลวงปู่สั่งมองมาทั้งเขาว่าแต่แกก็พูดว่ายังหนุ่มยังแน่นทําไมชั่วป่านนี้เนียอืสัวแม่มันแต่ละหากเมารถก็เป็นผมแกป่านนี้ผมยังไม่เมารถสักทีเลยโอ้ยคนนี้โกรธมากมองดูลงผู้สั่งเท่าหินห้อยนี่ นะตันสักพักเนาะก็โกรธขึ้นมานะ่ะนั่งรถไปด้วยกันท่านบอกว่าสักพักจิตมันทําอะไรไม่ได้นะมัน ถ, ถ้ากุขึ้นมาอะไรสักอย่างมันจะลูกลามแน่เลยพอดูปุ๊บก็จะเห็นเห็นว่าจิตเนี่ยมันจะเริ่มหาว่าโอ้หลวงปู่สังเวลาง่วงก็ง่วงเลยแอาอะไรที่นี่แกบอกมันเริ่มหาเหตุหาผลน่ะเอา้าหลวงปู่แม่นแล้วหลวงปู่เพิ่งนอนตื่นเนาะนั่งรถพาเนี่ย ก็พูดได้ถ้าว่ามันจะหาเหตุหาผล น, นั่นแนี่หาอยู่นั่นแหละหาเครื่องมือมาต่อสู้อ่ะห า, หาความชั่วของคนอื่นไปเรื่อน่ะเรือนีน่สักพักก่อืมวงปู่ ก, ก็ไม่ดีเกินบ่มรอมันจะว่าะแล้วก็จะคิดว่าที่ผ่านมาเราเองนะั้นเป็นคนจูงขึ้นรถนี่อกูจะไม่จูงแม่มันตอนลงนี่หว่าเรียกว่าทิ้งแม่มันเลยนะใจหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยจูงจูงจูถ้าทําแบบมันจะทุกข์ขึ้นอีกนะมันจะเพิ่มอัตตานะ ฟังเทศมันเป็นแบบนั้นนะหน้าแดงก็มองก็ไม่มองไม่มองไม่มองมันจะอารมณ์เสียนะนะสักพักก็เริ่มมาเดี๋ยวก็เปิดขวดน้ําให้ท่านนะเปิดด้วยความจะทําลายทุกตัวเองนะบิดนะวันนะพ่าหลวงปู่ขวดน้ําแต่ตาไม่มองเลยมันอู้กูคน ก, นกนูไม่อยากให้คนนี้แล้วเกนะินเนี่ยมันว่าให้กูเมื่อกี้นะั่นอะไรประมาณนะั้น เอาให้แล้วก็ค่อยท่นก็ไม่ว่าอะไรก็ดูอีกพยายามคิดถึงความดีของโอ้ท่านความนี้เดินชงกมท่านเนี่ยนะี่ะแก่ไปนี่แปดสิบเจ็ดแล้วยังมากับเราเนาะคิดไม่ออกคิดไม่ออกนะคิดไม่ได้ว่าท่านว่าคิดไปมันก็โกรธขึ้นโกรธขึ้นโกรธขึ้นในรถนะเขาตายอยในนี้ว่าทั้งที่จริงท่านเคยเคยว่าอยู่เขาไม่ว่ากับคนอื่นว่านู่นกะัผมก็ฟังว่าเป็นเรื่องตลกแต่พราะว่าให้กับผมเนะี่มันทุกข์มากนะ แล้วมาชั่วตายแทะนุ่มปหนึ่็ยังหากแอยแยงเออยนเนีเ อ, อหลวงปู่ไม่รู้เลยนีย่คือธรรมชาติผมไม่ไม่อยากหากเลยเนี่ยแต่มันก็เมารถอะไรประมาณนั้นนี่ทำไมเป็นนี้เนาะพอลงรถก็ดูด้วยความสมเพชขู่เบลโล่บลจูงแม่ไม่หลอกตกลงไปรถแต่จใจ ห, หนึ่งก็ว่าเฮ้ยไมไ่ได้เนี่ยเป็นทิติอีกแล้วเนี่ยก็เลยไปประคองหลวงปูป่ล่งได้พอ เขพาลงไปล้มปูกโอ้ยใครแน่ใครแน่ก็คิดในใจอันที่ใครแน่ย้อนกูนี่นะเพรากูนะเนี่ยเลยมันเขาว่ากูกูจะผักล้มแม่มาเลยนะเนี่ยแล้วกูก็ว่าตกบันไดเองเนี่ยว่จะพลาดก็ได้เด้เห็นไหมแค่ว่ามันหาเหตุผลที่จะทํามากเหลือเกินเนี่ยแล้วมันก็ทุกข์ขึ้นทุกข์ขึ้นโอ้จิตมันหาความทุกข์มาให้เป็นแบบนี้เองผมไม่ชอบเนี่ยมันจะหาเรื่องหาเราสร้างหาปู่มหลังเขาหาข้างหน้าเขา มันจะทำร้ายเขาหรือเปล่าเนี่ยครัลงไปก็อา้าวจูงไปนะพับผ้าให้ท่านบ้างอะไรบ้างเอ๋อทำดีทำดีทำดีทงทำดีอะไมาเนี้ยเ น, นะนึกถึงทีนี้ก็นึกถึงความดีท่านขยับเข้ามาบ้างเหมือนจิตมันยอมรับได้โอ้หลวงพ่อสี่ชั่วโมงจึงดับได้ฟุกอยู่สี่ชั่วโมงตกนรกอยู่อยู่ๆมันกจ็จางออกจางออกจางออกแล้วท่านก็นมารายงานหลวงตาครับว่าผมตกนรกสี่ชั่วโมง เอบตายตัวลรที่ไหนนะตัวนรกลงปู่สังศูนเี่ยผมศูนยังกระดาษเลยศูนย์แต่ผมรู้ว่าถ้าผมทําออกไปอะไรก็ทำน่ะพูดทำอะไรมันจะทุกข์มากกว่าเดิมบางคนไม่รู้นะพูดเล่นพูดหัวกับคนอื่นเนี่ยเขาโกรธนะเขาเกลียดนะเขาจะบอกให้สแสดงอาบัติแสดงอาบัตบิเนี่ยสัพตะอาปฏิโลอาโดเจมิสัพตะเวลาสแสดงอาบัติคือขอพระเจ้าขอกราบแทบเท้าท่านยอมแล้วยอมแล้วกราบแทบเท้ า, ทา เท้านี่ถือว่าสิ่งของที่ต่ำที่สุดนะต่ำที่สุดถ้าเรายอมเขาด้วยสามารถอย่างอย่างพรามในพุทธการเนี่ยทราบซึงพระพุทธองค์ยอมรับผู้ที่เช้าเมื่อไรข้าพุทธาที่ทานไปจุมพิษเท้าท่าน น, น่ะจุมที่พระบาทนั่นของต่ำต่ ำ, ตำไปเนี้ ย, ยังจุมพิษได้ะแสดงว่ายอมมดตัวยิ่งกว่าหยาดน้ํำอธิมีอีกท่านะยอมรับโอ้ยยอมรับพระพุทธเจ้า ไม่เคยได้ยินได้ฟังอโอหโอหพุทโธโอโหธรรมโอโหสังโฆนะไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยรับรู้เป็นวันที่ยอมรับด้วยใจอะไม่เพียงแคสแสดงงานบัตรเป็นการขอขมาขอขมาขอบขมามาจากคําว่าขอขอบไม่มาจากคำว่าขมานะขมาขอบคุณขอบใจขอบคุณขอขมาขับ เสร็จปุ๊บเอาใจมันเริ่มดีขึ้นถ้าได้กราบเทียท้าเขาเขาก็โอ้คนนี้เขามากราบเทียท้าเราเนี่ยเราจะทําไงอ่ะโกรธปันไหนมันก็เขาได้ยอมหมดตัวแล้วนะมุดตัวเลยนะเขายอมมาเดี๋ยวจะเอาอยัางไงอีกเราจะมีฮึอันหน้านี้อีกเหรอเขากราบทีนเนี่ยมันก็มันใจมันก็อ่อนน่ะทุกอย่างมือใจอ่อนใจสบายดีขึ้นเข้าไปจะดุร่วงเกินอับดับใดอับััน บ, น, บน้อยอาบดับใหญ่ไปขออภัยด้วยเด้เอ อ, เ อ, อ, เออรู้ใช่ไหมว่าผิดนะ ใครไม่มีปัสสีอาวโสตาอภติโยรู้ใช่ไหมว่าผิดเนี่ยครับรู้ครับต่อไปอย่าทำอีกนะเนี่ยครับผมไม่ทำอีกแล้วครับก็จะบอกเออยอมรับได้เอาจำไปเด้อครับก็จ ะ, จะเป็นอย่างเนี่ยแสดงบัตรเอาจบไปเนี่ยมันงุนหงิดอ่ะโดยเฉพาะเวลาอยู่ด้วยกันวันก่อนก็มีพระนะโงดงหงิด พระอูนึงก็พูดเล่นๆหัวหัวไปเนะ่ยแต่พระอหนึ่งติดอารมณ์เดินที่กรมแล้วหน้าแดงหน้าดํำขเขียดเข้ามาเดินไปมีแต่เลือดเต็มหน้าเลยเอาหน้าเป็นอะไรเนี่ยวนะน่ะหน้าไม่มีราสียับสลึงหติดอารมณ์คูบ่าอันนั้นอเป็นอะไรกันท่านก็พูดของท่านหลวงสมก็ติดอารมณ์นันแหละมันชอบคุกคีกันไรเมื่อก่อนก็พูดกันดีเนาะแต่พอมันโดนเบรกเนี่ยเรารักใครสักคนสมมติมารักหลวงตาอย่างนี้นะ ถ้าดวนตาถูกดวงตาเบรกนี่มันหัวปักขมงขำําเลยนะคือความรักน่ะมันถึงที่สุดมันก็เป็นโทสะนั่นแหละผลมันอ่ะมันจะโทสะถ้ามารักดวงตาเกิดดวงตาตายเนี่ยทันทีเลยนะโทสะมันมามันพิภพพลาเกิดขึ้นมันจะทุกทันทีอ่ะคือผลของมันคืออันนั้นน่ะมันเป็นดอกอนนี้นะมันเป็นดอกนเป็นดอกอันชันต่อไปมันดอกล่วงลอยนะ ต้องให้มันเป็นบานไม่รู้โรยถ้ามีความรู้สึกแบบนี้เออมันมันเป็นปัญหาเนะความทุกข์มันเป็นแบบนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้มันดนับนี่ทำยังไงแก้ไขได้เอา้าเห็นพระท่านอยู่ด้วยกันนะมันไปบอกโอ้ยผมทุกข์มากได้อย่างอันนี้พระองค์นั้นก็ไปบอกพระองค์ที่พูดเนไม่รู้เรื่องเดินยิ้มดนอารมณ์ดีจังอะ แต่องค์หนึ่งที่ถูกว่านะทุกตายเลยก็เลยเรียกกันมาสองคนเอา้าจัดเวทีให้มาขึ้นปะทะกันนะองค์หนึ่งนั่งขอแสดงอาบัติแสดงอาบัติคนแก่แสดงอาบัติกับเด็กเด็กแสดงอาบัติกับคนมีอายุพรรษาแสดงอาบัติต่อกันเอา้าจับมือกันเหมือนทั้งโลกนะเอา้า คนที่ว่าให้เขายังไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรคอยคนนี้โกรธแต่คนนั้นมันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟรู้ท่ว่าเ็้มันแอบเผาแอบฆ่ากันก็เพราะแบบนี้แหละนะปฏิบัติธรรมเขาที่บอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยต้องละพยาบาทพยาบาทนะการมาฉันทะพยาปาทะเนี่ยพยาบาทจองเวนจองกรรมเกลียดชังคนเนี่ยมันอันตรายอันเนี่ยขอให้มันไม่มีอาจจะมีบ้างโกรธ ความพยาบาทแล้วมาความโกรธมาโทสะนะแล้วมามีตัวปฏิฆะงุนงิดอย่างเงี้ยปฏิฆะงุนงิดน่ะโน่นพระอนาคามี น, นจะละได้ไกลนะไม่ใช่ธรรมดาดิคือมันแว๊บๆขึ้นมาในจิตเนี่ยมันจะแว๊บๆขึ้นมาเทน้อยถ้าเราดับตัวนี้ได้แต่ว่าไอ้ตัวพระอริยบุคคลเบื้องต้นนี้ก็คือ มันมีอ่ะแต่มันดับไปมันดับไว้แต่ที่ให้มันสิ้นซากโน้มันอยู่ใครงั้นแต่เรารู้สึกว่าเออมันขึ้นมานะมันเป็นโทสะตัวโทสะบุบขึ้นมาอย่าไปจามมันนะอย่างเขาบอกว่านับหนึ่งถึงสามซามันก็จะคลายไปหรือไปทำมันอื่นเดี๋ยวมันก็คลายไปแต่คนที่มีสติดีเข้ากับ เอาภาวะนะ่ะมาดูมันเองโดยธรรมชาติเลยดูเข้ามาข้างในเลยเอาดูอยู่ดูมันนะ่ะมันเกิดแล้วก็ดูเกิดแล้วก็ดูเกิดแล้วก็ดูดูแล้วมันจะดังมีโยมคนหนึ่งไม่พอใจอะ่ะดวงตาไปงวดเนี้ยอืมดวงตาวันหนึ่งลงตาพูดไงพูด ว, ว่าเอาโยมมาถึงที่ตรงนี้นะบริจาคเด้อมารวบรวมจิตตู ป, ปใจไหวใจโกดเนาะคือแกไม่ชอบเรื่องเลี่ยไรอย่างงี้มาแต่ไหนแต่ไร น, นะ เราเนี่ยละมั้งเนี่ยจะมีคนหนึ่งไหนนี่เขาเอาไปนะพูดเนี่ยไมไ่เอาไปก็ได้แต่สร้างหัวมันทุกข์ก็เพิ่มเติม ม, มันพูดไปแล้วไงนะมันก็โกรธ ง, งูนิดขึ้นมาทุกข์คือมันไม่อยากเห็นภาพอเนี้ยก็ขึ้นมาเฮ้ยเป็นพระอืมเป็นพระที่เรารักเราศรัทธาเนี่ยเอ้าวมาเป็นหัวหน้าเรี่อะไรอีกต่างหากนะ <c oughs> คนละร้อยบาทร0อบาทนะหนึ่งรถนะเอาที่นี่ไม่ใช่ร้อยบาทอะ่ะแล้วแต่ตรงที่โลงตาพูดว่าห้ามบริจาคเกินต่ำกว่าห้าสิบสตางค์นะต้องมืงบาทเอาบริจาค ต, ต, ต, ตามตามรัฐทรรมบางรุงสถานที่ก็ว่าแกอารมณ์ไม่ดีตังหากนะน่ะงงเงียติดอารมณ์ไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่พยายามดูดูสักพัก ถ้าฝึกสตีดีหน่อยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละพอดูสักพักอยู่ๆมันไล่ไปเลยอะอดีตขึ้นมาเลยมันไม่พ่อใจเรื่องการเรียอะไรีิตอนไปวัดไหนเป็นยังไงมันเป็นถูกคํกระเนากระแน่ยังไงเขาดูถูกเหยียดหยามอะไรยังไงจิตมันจะติดอารมณ์มันนั้นขึ้นมามันจะวูบวจําภาพมันไล่มาเสร็จปุ๊บมัดับทับทันทีเลยนะทับว่างหายไปหมดเลยอ่ะนะ แล้วก็เป็นธรรมชาติเลยควักแบง อ, อกมาทันทีนะ่ะบริจาคไปนะนะอืควักแบงบริจาคมีน้ำซ้ำยังถือถุงเลี่ยอะไรบริจาคเขาอีกททีเนาำไมมันสบายใจอย่างนี้นะกับเมื่อกี้ก็เป็นอีแบบหนึ่งนะเมื่อตะกี้เป็นแบบหนึ่งอืมมันขึ้นอยู่กับอย่างที่ว่าอนะมันมีไหมตัวสติเนี่ยถ้าตัวสติดีมันจะดับบบนี้แล้วมันจะพลิกขว้เลย อืแต่ถ้าไม่มีก็ค่อยๆประคองไปหาเหตุทามผลพอให้เอาน้ำมาลูบมันนะ่ะเออช่างเถอะช่างเถอะจ่างเถอะช่างเถอะอะไประมาณนะนะั้นนะช่างเถอะอะไรเนะ่ชาติก่อนท่านคงเป็นอะไรนะ่ะคนเก็บตั๋วนะจาก น, นี้เปเ น, นี่ยนู่นเนี่ยนี้ไปอะไรประมาณนะี้โอ้ยขอคดีใจอ่ะดีใจที่ตัวตัวเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันดับได้เนี่ยก็เลยว่างเลยทีนี้เดินด้วยความว่างเดินด้วยความสนุกเลย เป็นด้วยความเบาความอะไรเนี่ยแต่ก่อนเต้องแบกอะนี่แบกอนี่มีเหตุมีผลมีเหตุมีผลนะดังนั้นดูดีๆญาติโยมทั้งหลายโวกเนี่ยมีเกิดก็มีดับนะยึดมียึดก็มีวางมีเกิดมีดับมียึดมีวางเราจะเอาแต่ฝ่ายที่มันเป็นทุกข์ฝ่ายที่เป็นไม่ทุกข์ก็มีปฏิจะสมุปบาทฝ่ายไม่มีทุกข์มันมีอยู่แล้วเราลองดำเนินนั้นที รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักว่างรู้จักวางรู้จักว่างว่า ง, างก็เป็นสมาธิล่ะอืสมาธิมากๆเขาเห็นแจ้งแต่ความจริงก็ว่างแหละว่วางแต่เป็นเป็นอัปปนาสมาธิเนะมันเป็นความว่างแบบไร้ขีดจํากัดไรเงื่อนไขไรเหตุปัจจัยตัวนั้นแหละคือพระนิพพานะ คือพระนิพพานนิพพานแต่เขาก็เติมพระเข้าไปอีกพระนิพพานอะไรที่ประเสริฐประเสริฐนี่เรียกว่าพระนิพพานอย่างเราไปเคารพเขาเขียนไว้เนี่นันองค์องค์งหลวงปู่มัน่นองค์พระหลวงปู่มัน่นองค์พระเขาใส่เขาว่าพระเข้าไปด้วยน ะ, อ, ะองค์พระหลวงปู่มัน่นเรามีความเคารพศรัทธาในองค์พระหลวงปู่มัน่น คำว่าองค์พระนี่คือองค์คุณธรรมที่อยู่ในตัวท่านนะที่ท่านสะสมมาโพชฌงไงไม่จากเขาโพชฌงสติสัมโพชฌงองค์ธรรมที่อยู่ในท่านคือสติธรรมวิญญาสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌง์วิญญาสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงองคธรรมอยู่ในเราเลยเคารพองค์ท่านนะ องท่านบางทีเขาบอกเฮ้ยมันลงองคองค์ลงสิงนะเนี่ยคนเนี้ยองแต่องในความหมายของพุทธธรรมนี่หมายว่าสติสมาธิปัญญาคนเนี้ยทานสติสมาธิปัญญาวิริยะปีมุตต์คนเนี้ ย, น, ญญ ย, น, น, ยนี่เป็นองคธรรมที่ลงอยู่ในเราแล้วแต่ว่าคุณธรรมนี้มันมันเดินไม่ได้ถึงขั้นไหน บางทีได้ปีติได้สมาธิใน้อยมันยังไม่ถึงองค์อุเบกหาองวิมุติทังเนี่ยมันได้น้อยมันเกิดกับคืนได้น้อยกับคืนไดน้อยกับคืนทีนี้เขาบอกทําให้ชานานซะไม่มาสงสัยนี่เวลจะขึ้นมาก็ขึ้นมาได้เลยจะเข้าฌานก็เข้าฌานได้เลยจะปกติก็ปกติได้เลยมันขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่สงสัยแล้วทางนี้ทางนี้ไม่หลงทางแล้วขยับขึ้นมาอีกทีนี้ขยับขึ้นมาทีละน้อยนๆเก็บอารมณ์อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆรื่อๆปฏิบัติอยู่เรื่อยๆมันก็พัฒนาไปได้อ่ะ แต่ะละทําได้ตั้งแต่ปีมอโวมาเวะนะั่นแ่ะได้ปีติครั้งเดียวนะั่นแหะกูตั้งแต่เกิดนั่นน่ะก็เดินทีแล้วก็เหยียบสนามไม่ได้เหยียบดอกบัวกับเขาสร้างที่ไ ด, ด้เหยียบดอกบัวหนึ่งนาทีตั้งเองเข้าสู่ดินแดนสุขหาบดีพระพุทธเจ้าได้นิดเดียวนอกนะั้นจะมีแต่ทุกข์กับทุกข์ทีวี้เนี่ยกูยิ่งปฏิบัติยิ่งพกนะุกเนาะยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกเนาะยิ่งปฏิบัติยิ่งโกรธเนาะยิ่งโน้นยิ่งนี่นะหลงทางไงหลงทางเดินผิดทาง มันออกนอกทางอย่าไปยึดเอาอะไรยึดเอาอะไรก็เป็นทุกข์อันนั้นน่ะยึดเอาอะไรก็เป็นทุกข์อันนั้นไปยึดอารมณ์สัญญาเวทนาอารมณ์อะไรต่า ง, างเป็นทุกข์นะวางเฉยเฉยวงเฉยเฉยไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยๆ อ, ยๆอืแล้วเราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในดินแดนของพอะระอริยเจ้าเรารู้ในที่ตื่นมาเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญคือจิตเรา ะเนื้อนาต้นนี้มีอะไรม้างเนี่ยโอ้ยต้นอุจจาระมางอกแล้ววันนี้เนื้อนากูตัวโทสะมางอกตัวโทสะตัวโมหะมางอกตัวอื่นตัวอัดตัวเบื่อตัวไหนตัวขี้เกียจตัวตื่นสายตัวเห่ตัวโอ้ยมางอกในนี้แล้วมันงอกขึ้นมาอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงว่าจะมันไม่มีต้นทุกมันจะไม่มีตัวโลภะโทสะขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวนั่นก็ทําให้มันสะอาดทุกวันทุกวันตื่นมากระชาระใจให้เขาสะอาดะ รูปรถกลิ่นเสียงผัสสะทางรูปทางตาทางหูต้องขอให้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมน า, าเวลานึกเป็นทุกข์เมื่อไหร่นึกถึงสิ่งที่เคยพาไปเคยเพี้ยนเราเดินจกกูกลมวันแรกวันแรกก็เดินหนึ่งชั่วโมงอ่ะได้สี่จุดห้ากิโลเมตรการเดินเนี่ยสี่จุดสามเราเดินกี่ชั่วโมงโอ้เราเคยเดินมายี่สิบห้าชั่วโมงนะ ก็ไปได้ขึ้นเขาลงหิวไวปลงห่วยลงทานไปยังไปได้อ่าวันที่สองวันที่สองเนเดินน้อยหน่อยสองกิโลอืเดินสองเก้าเก้าซ้ายเก้าวขวาเก้าหน้าเก้าหลังถ้าพูดว่าคนหนึ่งมึงพูดมึงว่าเท่าไหร่เนี่ยกูว่าห้สิบกิโลนะวันนี้นะไอ้กวามันน่าจะเกินนะควรนำทุกเอาความทุกวัดเอา มันเมื่อนี่เหนื่อยกว่านะยิ่งตอนเดินในกองทรายกูแทบตายต้องถอดรองเท้าเลยนะเออนะเดินบนเขาอย่ามันสนุกกว่านี่เห็นไหมมันเริ่มมีเปรียบเทียบละเริ่มมีนะมีเวลาเราทุกจริงจเราเลือกถึงวันนี้ทุกแบบ น, นี้เราก็เคยมาเราทุกมากด้วยก็ อ, อยู่ได้ไม่เห็นเป็นอะไรกินยังไงก็ได้นอนยังไงก็ได้ก็เมืน่าอยู่ได้ได้อะไรก็ได้นะได้อะไรก็ได้ใจมันก็จะสบายอืม ยังไงก็ได้เราก็จะเป็นตัวกินนอนของเขาบ้างเ อ, อ้ยยังไงคนอะไรอะไรไม่ทุกเนี่ยคนอะไรไม่ทุกมวตนา่เีมตัวกลาบพระกลาบ